น, นำบทยาซีนบทยาซีนเป็นบทมั ก, กิยาะมี8ปบสามองค์การที่ประมวลไว้ด้วยเรื่องสำคัญที่เป็นหลักการสามเรื่องคือการศรัทธาการฟื้นคืนชีพและการชมุมนุมบทนี้เริ่มด้วยการสาบานด้วยอัลกุรอานถึงความถูกต้องขององค์การและความจริงแห่งสารของมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลฮุสสลับ และได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธชาวคูเรชมักกะซึ่งได้ดำเนินชีวิตอยู่ในการหลงผิดและหลงทางที่เกินขอบเขตและปฏิเสธการเป็นาศาสนาทูตของมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮุสสลัมดังนั้นการลงโทษของลอจึงควรแก่พวกเขาบทนี้ได้นำเอาเรื่องราวของชาวเมืองอันตอกียะซึ่งได้ปฏิเสธศรัทธามากล่าวไว เพื่อเตือนให้นึกถึงผลแห่งการปฏิเสธองค์การและสารแห่งพระผู้เป็นเจ้าบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของนักเผยแผ่ผู้ศรัทธาผู้หนึ่งคือฮาบีบุนนัดยาตซึ่งเขาได้สั่งสอนกลุ่มชนของเขาแล้วกลุ่มชนนั้นได้ฆ่าเขาเอาลัลลอฮฺจึงทรงให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์และพระองค์ไม่ได้ประวิงเวลาให้แก่บรรดาอาจยากลเหล่านั้น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 ภาพลักษ์ของดวงอาทิตย์อันเจิดจ้าที่หมุนโครจรไปด้วยเดชานุภาพแห่งอัลลอ์ภาพลักษ์ของดวงจันทร์ที่โครจรไปตามจักรราศีของมันภาพลักษ์ของพิภพที่บรรทุกลูกหลานของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบันจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดแจ้งถึงเดชานุภาพของอัลลอ์ผู้ยิ่งใหญ่และสูงส่งยิ่ง บทนี้ได้กล่าวถึงวันกียร์มะและความน่ากลัวของมันกล่าวถึงการเปล่าสังแห่งวันฟื้นคืนชีพและวันชุมนุมซึ่งมนุษย์จอกมาจากสุสานกล่าวถึงชาวนรกและชาวสวรรค์และการแบ่งแยกระหว่างผู้ศรัทธากับบรรดาอาดากรในวันอันน่าหวาดกลัวนั้นจนกระทั่งถึงบรรดาผู้ที่มีความสุขจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อย่างถาวร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 ยาซีนัลกุรอานยาซีนขอสาบานด้วยคัมภีร์อัลกุรอานที่มีคำสั่งอันรัดกุมอินกมินัลมุรซลีนอลาิรมุสตกมแท้จริงเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่ถูกส่งมาอย่างแน่นอน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 ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สนใจโดยแน่นอนประกาศสิทธิ์ได้เป็นที่สมจริงแล้วแก่พวกเขาส่วนมากเพราะพวกเขาไม่ศรัทธาถ้้จริงเราได้พันธนาการที่คอของพวกเขา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 ไม่เห็นและมีผลเท่ากันแก่พวกเขาเจ้าจะตักเตือนพวกเขาหรือไม่ก็ตามพวกเขาก็จะไม่ศรัทธา ถ้าจ ร, ริงเจ้าเพียงแต่ตักเตือนผู้ที่ปฏิบัติตามข้อตักเตือนเท่ า, น, ทา น, นั้นและเขาเกรงกลัวพระผู้ทรงกรุณาโดยทางลับดังนั้นเจ้า จ, จงแจ้งข่าวดีแก่เขาด้วยการอภัยโทษและรางวัลอนันมีเกียตรติเถอดอินน้นา نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم ถ้าจริงเราเป็นผู้ให้คนตายกลับมีชีวิตขึ้นและเราจะบันทึกสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบไว้แต่ก่อนและร่องรอยของพวกเขาและทุกสิ่งนั้นเราได้รวบรวมไว้อย่างครบถ้วนในบันทึกอันชัดเจดน และเจ้าจุงเล่าเรื่องชาวเมืองอันตอกียะแก่พวกเขาเมื่อมีศาสนาทูตมายัางเมืองนั้น إ เมื่อเราส่งสาศาสนทูตสองคนไปยังพวกเขาพวกเขาได้ปฏิเสธเขาทั้งสองดังนั้นเราอัลลอฮ์จึงได้เพิ่มพลังด้วยการส่งสาศาสนทูตคนที่สามและพวกเขาบรรด า, าศาสนทูตได้กล่าวว่าแท้จริงพวกเราถูกส่งมายัางพวกเจ้าแล้ว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 พวกเขาบรรดาศาสนาทูตกล่าวว่าพระผู้บาลาของเราทรงรู้ดียิ่งว่าแท้จริงเราถูกส่งมายังพวกเจ้าอย่างแน่นอนและไม่มีหน้าที่อื่นใดแก่พวกเรานอกจากการประกาศเชิญชวนอันชัดแจ้งเท่านั้น لَإِنْ لَمْ تَنْ تَهُوْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنْ ن, ن, ن, ن, ن, ن ا عَذَابٌ أَلِيمٌ พวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราถือเป็นล่างร้ายต่อพวกท่านหากพวกท่านไม่ยอมหยุดยังเราจะหินขว้างพวกท่านจนตายและแน่นอนการลงโทษอันเจ็บปวดจากพวกเราจะประสบแก่พวกท่านกาลูตาอิรุคม พวกเขาบรรดาศาสนทูตกล่าวว่าลางร้ายของพวกเจ้าเพราะพวกเจ้าเองพวกเจ้าได้ถูกตักเตือนมาก่อนแล้วม่ใช่หรือเปล่าดอกพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนต่างหาก。 ล ت ت และมีชายคนหนึ่งจากสุดหัวเมืองได้มาอย่างรีบเร่งเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงปฏิบัติตามบรรด า, าศาสนาทูตเหล่านี้เถิดพวกเจ้าจงปฏิบัติตามผู้ที่ไม่ได้เรียกร้องรางวัลใดๆจากพวกเจ้า และพวกเขาก็เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและทำไมเล่าฉันจะไม่เคารพพักดีผู้ทรงบังเกิดฉันและอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไปแะทาันจะไม่เดูรงบัิดันและย่างพิะองค์เทานั้นี่พ้าจะกลับไป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 แท้จริงเมื่อ น, นั้นฉันอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจง้งแท้จริงฉันศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงเชื่อฟังฉันสิมีเสียงกล่าวว่า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 นนลและเราไม่ได้ส่งไพรพลลงมาจากฟากฟ้าแก่กลุ่มชนของเขาหลังจากเขาและเราก็ไม่ใช่ผู้ส่งเขาลงมานานกา่สยเวดห้ด มันไม่ใช่อื่นใดนอกจากเสียงกระนาดเพียงครั้งเดียวแล้วเมื่อนั้นพวกเขาก็ดับสนิทโออา น, นิจจาพวงเบาไม่มีาศาสนาทูตคนใดมายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาได้เย้อหอยั่งเขา พวกเขาไม่ได้พิจารณาดอกหรือว่ากี่ศตวรรษมาแล้วก่อนหน้าพวกเขาเราได้ทำลายโดยที่เขาเหล่านั้นไม่ได้กลับมาอย่างพวกเขาเลย และแต่และคนในพวกเขาทั้งหมดจะถูกนำมาปรากฏต่อหน้าเราในวันพราโลกและสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเขาก็คือแผ่นดินที่แห้งแล้งนั้นเราได้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาและเราได้นำมเมล็ดพืชออกมาจากมัน ซึ่งส่วนหนึ่งจากมเมล็ดพืชนั้นพวกเขาใช้รับประทานลเราได้ทำให้แผ่นดินนั้นมีเรื่องสวนมากมายจากอินทพลัมและอางุ่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 มหาบริสุดแดพระผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งหมดเป็นคู่คู่จากสิ่งที่พันดินได้มันงอกเงยขึ้นมาและจากตัวของพวกเขาเอง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 ز ز และดวงอาทิตจะโคจรตามวิถีของมันนั่นคือการกำหนดของพระผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงรอบรู้รและดวงจันนั้นเราได้กำหนดให้มันโคจรตามตำแหน่ง จงกระทั่งมันได้กลายมาเป็นเช่นกิ่งอินทหลามแห้งดวงอาทิตย์ก็จะไม่ได้รับอนุมัติแก่มันที่จะไล่าตามใกล้ดวงจันทร์และกลางคืนก็จะไม่ล้ำหน้ากลางวัน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 และเมื่อได้มีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงระวังสิ่งที่อยู่ข้างหน้าพวกเจ้าและสิ่งที่อยู่ข้างหลังพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา และไม่มีสัญญาณใดๆในบรรดาสัญญาณของพระผู้อภิบาลของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะผินหลังให้แก่สัญญาณนั้นๆ إن أن และมือมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงบริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งประทานเป็นปัจจัยย่างชีพแก่พวกเจ้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าเราใช้อาหารแก่ผู้ที่หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ก็ใช้อาหารแก่เขากระนั้นเด้อพวกเจ้าไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจาก ออยยู่่ในกาารหลงงผิดดชัดแจและพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้นหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงพวกเขาไม่ได้คอยสิ่งใดเลยนอกจากเสียงกำ บ, บนนาทเพียงครั้งเดียว ซึ่งเจ้าชีวิตพวกเขาในขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันอยู่และพวกเขาก็จะไม่สามารถสั่งเสียอะไรและพวกเขาก็ไม่ทันจะกลับไปยังครอบครัวของพวกเขาได้และสังก็จะถูกเป่าขึ้น ทันใดนั้นพวกเขาก็จอกจากหลุมฝังศพแล้วพวกเขาก็จะรีบรุดไปยังพระผู้อภิบาลของพวกเขากขากล่าวว่าโอความหายนาะที่ประสบแกเราใครเล่าที่ทําให้เราฟื้นจากที่นอนของเราในกุโบตจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า นี่แหละคือสิ่งที่พระผู้ทรงกรุณาได้ทรงสัญญาไว้และบรรดาหอดซูญได้กล่าวสมจริงแล้วไม่มีอะไรดอกนอกจากเสียงกับบนนาดเพียงครั้งเดียวทันใดนั้นพวกเขาทั้งหมดก็จะถูกนำมาปรากฏต่อหน้า ในวันนั้นไม่มีชีวิตใดจะถูกอายุติธรรมแต่ประการใดและพวกเจ้าจะไม่ได้รับการตอบแทนนอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้เคยกระทำไว้ แท้จริงในวันนั้นชาวสวรรค์จะอยู่ในกิจกรรมอันสุขสำราญพวกเขาและคู่ครองของพวกเขาจะอยู่ภายใต้ร่มเงานอนเอกเนเอกอยู่บนเก้าอีน้นวลสำหรับพวกเขาในสวนสวรรค์นั้นจะมีผลไม้ และสำหรับพวกเขาจะมีสิ่งที่พวกเขาต้องการา e ความสันติซึ่งเป็นพระดำรัสหนึ่งจากพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตาเสมอ uh อบาัดาิอาจญากรทั้งหลายวันนี้พวกเจ้าจงถอยห่างออกไปให้พน้น อัลมอ่าหัดอีลุ่มยาบนีอาดมอัลล่า تع บุดชชีตาลอินนหูละคุมอดูมมูบีนคำมได้สัญญาแก่พวกเจ้าดอกหรือโอ้ลูกหลานของอาดัมว่าพวกเจ้าจะได้ขอรบบูชาช่วยตอนมานไว้ แต่จริงมันเป็นศัตรูตัวฉกาดของพวกเจ้าและพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้านี่คือแนวทางอันเที่ยงตรงและโดยแน่นอนมันได้ทำให้กลุ่มชนจำนวนมากของพวกเจ้าหลงทางทำไมพวกเจ้าจึงไม่ใช้สติปัญญาไข้ขวรละ่ะ น, นี่คือนรกยานนำซึ่งพวกเจ้าถูกสัญญาไว้ ว, ว, วันนี้พวกเจ้าจะได้เข้าไปลิ้มรสมันเนื่องจากพวกเจ้าปฏิเสธอันนี้พวกเจ้าจะได้เข้าไปลิ้มรสมันเนา่องจากพวกเจ้าปฏิเส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 และหากเราประสงค์เราก็จะทำให้ตาของพวกเขาบอดและพวกเขาก็จะคลำหาทางแต่พวกเขาจะเห็นได้อย่างไรและหากเราประสงค์เราก็จะแปลงรูปของพวกเขาให้อยู่กับที่ของพวกเขา และพวกเขาก็จะไม่อาจไปข้างหน้าได้และก็ไม่อาจจะถอยกลับไปได้และผู้ใดที่เราให้เขามีอายุยืนนานเราใจกลับคืนสู่สภาพเมื่อตอนแรกเกิดและพวกเขาไม่ใช้สติปัญญาใคร่ควรวญบ้างห ร, อหรือ เราไม่ได้สอนกวีนิพนธ์แก่เขาและไม่เหมาะสมแก่เขาที่จะเป็นกวีคำพีนี้ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากเป็นข้อตักเตือนและเป็นคำพีอันชัดแจ้ง เพื่อตักเตือนผู้มีชีวิตและเพื่อข้อตักเตือนนั้นเป็นหลักฐานยืนยันแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอวลัมยารอันน้า خلقنا لهم مماعملت أيدينا أنعامفهم لهافهم لها مالكون แต่พวกเขาไม่ได้พิจารณาดูดอกหรือว่าเราได้สร้างปะสุสัตว์ขึ้นมาเพื่อพวกเขาจากสิ่งที่มือของเราได้ทำขึ้นแล้วพวกเขาก็ได้ครอบครองมันและเราได้ทำให้พวกมันยอมจำนวนแก่พวกเขาดังนั้นบางชนิดมันก็เป็นพาหนะแก่พวกเขาและบางชนิดพวกเขาก็ใช้กินเป็นอาหาร แลวในตัวมันนั้นมีประโยชน์มากมายและมีเครื่องดื่มสำหรับพวกเขาและพวกเขาจะยังไม่ขอขอบคุณอีกเลยและพวกเขาได้ยึดถือเอาพระเจ้าหลายองค์เป็นที่เคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ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 และเขาก็ได้เป็นคู่ปรปักตัวชะกันและเขาได้ยกอุทาหรนเปรียบเทียบแก่เราและเขาได้ลืมต้นกำเนิดของเขาเขากล่าวว่าใครเล่าจะทำให้กระดูกมีชีวิตขึ้นมาอีกในเมื่อมันเป็นผุยผงไปแล้ว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 พระองค์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจะไม่สามารถสร้างเช่นเดียวกับพวกเขาการะนั้นหรือแน่นอนและพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงรอบหู แท้จริงพระบัญชาของพระองค์เมื่อทรงประสงค์สิ่งใดพระองค์ก็จะทรงตรัสแก่มันว่าจงเป็น